มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคที่ข้ามัทธนะปัญหาที่เก้าถามว่า การช้านานยืดยาวนั้นคืออะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้เป็นเจ้ากล่าวเมื่อกี้ว่าที่ขมัตทานังสิ้นการช้านานการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่า ดูราณะบอพิษพระราชาสมผานเยสังขาราอันว่าสังขารธรรมอันใดอันพระพรากดับล่วงไปนั้นจะได้เรียกว่ากาลานานหาไม่ได้และว่าอันสังขารที่จะให้ผลไปเกิดในภพอันอื่นว่ากาลานานอีกประการหนึ่งสัตว์มนุษย์ที่ยังปฏิสนธิเกิดไปในภพนั้นเรียกว่ากาลานานและท่านผู้จะดับขัน เข้าสู่พระนิพพานนั้นเรียกว่ากาลนานขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ได้ทรงฟังก็ทรงสมมณตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าแก่นี้สมควรนักหนาในการบัดนี้ที่ขมัทธานปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้จบทุติยะวัค